ที่พวกราได้มาวัดกันอย่างต่อเนื่องมาเป็นอย่างสมาเสมอเพราะเมีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ที่จะนำพาชีวิตของพวกเราให้ได้ไปสู่ ความหยุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้ได้หยุดพ้นจากการเรียไหการเกิดให้ได้ไปชู่ความสุขที่แท้จริงนัทธาวรก็คือนิพพานอริภานนิมานังปารมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นอารมณสุข คำวินิพาน์นี้ก็หมายถึงจิตใจที่ได้รับการชาระกำจัดเหตุที่สร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจนั้นเองวินิพนนี้ไม่ใช่เป็นสถานที่วินิพนก็คือใจของพวกเราทุกคนที่ตอนนี้ยังมีอิเลยาสวะเครื่องเศ้าหมองต่างๆเข้ากำจิตใจ ทำให้จิตใจของพวกเรายังมีแต่ความทุกความมุ่ดมายนใจถ้าเราได้น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤตมาปฏิบัติตเราก็จะสามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้โคใจเราสะอาดบริสุจจทธิ์ปราศจากกิเลสอาสะวะทั้งหลาย ใจของเราก็เป็นครั้นผ่านขึ้นมาใจของเราเมื่อได้รับการชำระจนสะอาดลอยสุดปราศจากอิเลทาสวะก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาร่างกายมาใช้เป็นเครื่องเลื อ, อกต่อไปเราก็ไม่ต้องมีร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต่อไปเพราะเราสามารถอยู่กับจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ี้ได้ตามธรรมจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้จะมีความสุขมากกว่าการมีร่างกายอย่างที่พวกเรามีการอยู่ทุกวันนี้การมีร่างกายแสดงว่าใจของเรายังไม่ดียังไม่พอ ยังมีความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่และสิ่งที่ พ, พวกเราต้องการนี้ก็ไม่ต่างจากยาสพิสที่เจามีอยู่เรื่อยๆถ้าขาดเมื่อไหร่เวลานั้นก็เป็นเวลาวุ่นวายใจหุดหยิตนำขานใจทุกข์ใจนี่คือเรื่องของใจของ พวกเราและใจที่พวกเราจะได้รับต่อไปถ้าเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกันปฏิบัติเพื่อให้ใจของเราหนี้สร้าง บ, บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสอาสวะความโลภความโกรธความหลงปราศจากตัณหาความอยากต่างๆเช่นกามตัณหา ความอยากในรูปสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวะิราตตัณหาความอยากไม่มีอมเป็นทางที่เราจะปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าได้เราจึงต้องมีศรัทธาความเชื่อต่อเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ได้ตัศรู ได้พบแสงสว่างแห่งธรรมได้พบวิธีการที่จะทําให้ใจของเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการมหวี่ยวนว่าการเกิดแล้วหลังจากที่พระองค์ได้สองค้นพบความจริงและปลดปล่อยจิตท้าทยของพระองค์ให้หลุดพ้นจากการมีว่ากาเกิดได้แล้ว พ่อองค์กสทรงนำเอาความรู้ที่ทั้งองค์ได้ทงคนท้นพบนได้ชรงปฏิบัติอามาเผยแก่สังสอนให้แก่สรรโลกนี่คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราเชื่อกันว่าเป็นความจริงสวากขาโตภกวตาทะโมแต่ว่าเป็นธรรมที่ตักไว้ชอบแล้วถูกต้องแล้ว ตามหลักของความเป็นจริงหลักของความเป็นจริงก็คือหลักใจของโกวกเรานี้เองใจของพวกเราตอนนี้ยังเวียนว่าตายเกิดกันอยู่พร้อมจูกอานาจของโมหะทวิชาอานาจของกิเลสตัณหาหลอกล่อให้พวกเราเปัปหาร่างกายเพื่อที่จะได้หาความสุขผ่านทางร่างกายแต่เรา ไม่เห็นว่าร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บท่างตายได้ความสุขบางส่วนจากร่างกายแต่ก็ต้องรับความทุกข์จากร่างกายเช่นเดียวกันรับความทุกข์จากร่างกายเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บไมนได้ปวดเวลาที่ราา่ า, รางกายตากัน เวลาที่เราสูญเสียร่างกายของคนอื่นไปเช่นร่างกายของคนที่เรารักเช่นบินดามารดาปุราตาญาญาเสน็ฐวิสหายสามีภรรยาบุตรธิดาเพราะร่างกายของทุกๆคนจาเป็นจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายกันด้วยกัน นี่คือผลที่จะตามมาถ้าเราเชื่อกิเลิศตัณหาทําตามคําสั่งกิเลิศตัณหาเราก็จะต้องไปหาร่างกายใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือตอบสนองความความต้องการของกิเลิศตัณหาเราก็จะต้องติดอยู่ในวัฏจัแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสึ่งสุด แต่ตอนนี้เรามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เอามาสอนพวกเราบอกพวกเราว่าพวกเราต้องชำนะใจให้สะอาดกันพวกเราต้องตัดกิเลสตัณหาตัวที่ก่อภพก่อชาติตัวที่ก่อความทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจของพวกเราถ้าพวกเราชำนะใจของพวกเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ ใจของเราก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาจะเป็นปรมานสุขขังขึ้นมาเป็นปรมันสุญญงคําว่าปรมันสุญญงนี้ไม่เป็นหมายความว่าใจของเราเน้นสูญหายไปแต่หมายความว่าใจของเราว่างจากกินเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิด น, นี้เอ ใจของเรานี้ไม่มีวันตายไม่มีวันสลายไม่เหมือนกับร่างกายที่มีวันมีวันตายมีวันสลายดังนั้นขอให้พวกเราอย่า ก, กังวลว่าถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วชำละกิเลสตัณหาไปเรื่อยๆแล้วจนกิเลสตัณหาหายไปหมดแล้วใจของเราจะหายไปด้วย บางคนยกเคลื่ว่านิพพานคือความสูญมายถึงว่าสูญหายแต่ความจริงคําว่าสูญนี้หมายถึงความว่าของใจเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราเอามาชักเมื่อเราซักแล้วเสื้อผ้าก็าจะว่างจากผ้าฉนักปบต่างๆแต่ตัวเสื้อผ้าเองนี้ไม่ได้หายไปไหนเสื้อผ้าก็ยัง อยู่เหมือนตอนก่อนที่เราซักก่อนตอนที่เราซักนี้นเสื้อผ้าของเราปรเปิดเปื่อนด้วยคราบสกปรก ต, ต่างๆพอเรานําเอาไปซักใช้ของซักพอกใช้น้ำซักของซักพอกก็จะชําระทั่วคราบสกปรกที่ติดอยู่ในผ้าให้ให้หยุดออกไปทําให้ผ้าสะอาดอผ้า ไม่มีภาพสักดจบองเหนืออยู่ภาพว่างจากภาพสะกดจคำว่าว่านี่ไม่ได้หมายความคำว่าสูนี่ไม่ได้หมายความว่าหายไปแต่หมายความว่าว่างจากเกิดปัญหาเชื้อของพรชา้าเชื้อของความทุกข์ทั้งหลายนี่หรือมีกับร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะต้องใช้ยารักษากโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากเชื้อโรคต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายพอรับประทานยาเข้าไปยาก็จะทํลายเชื้อโรคต่างๆที่มีอยู่ภ า, า, ายในร่างกายให้หมดไปพอร่างกายว่างจากเชื้อโรคต่างๆนะครับร่างกายก็หายจากโรคภัยไข้จ็บแต่ ร่างกายไม่ได้สูญหายไปไหนร่างกายก็ยังมีอยู่ฉันใดจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ว่างจากกิเลสอาสวะโมหะอาวิชชาปัญหาต่างๆแต่ตัวจิตเองไม่ได้หายไปไหนไม่ได้สูญหายไปไหนและการไม่ได้มาเกิดก็ไม่ได้หมายความว่าหายไปไ คำว่ามาเกิดก็คือการไม่ได้มารับร่างกายร่างกายไปใช้เป็นเครื่องวาดเครื่องมือเท่านั้นเองใจนี้เป็นกายทิ่ใจนี้เป็นกายที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เพราะไม่มีรูปมีร่างเหมือนร่างกายแต่เรานี้สามารถสัมผัสรับรูบร้ใจของเราได้ด้วยการภาวนา ถ้าเราภาวนาทำใจให้สงบใจจะรวมเป็นหนึ่งเราจะเห็นว่าใจนี้คือผู้รู้ใจเป็นผู้มีความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่ต่างจากร่างกายตัวร่างกายนี้ไม่มีความรู้สึกนึกคิดตัวร่างกายนี้มีแต่อาการสาสสองเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเท่านั้น ร่างกายนี้เป็นผู้รับข้อมูลต่างๆคือรูปเสียงกลิ่นรสผุดธพัสผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วส่งไปให้ใจผู้รู้อีกทีหนึ่งพอใจผู้รู้ได้สัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสผุดธพัสก็จะใช้สัญญาผ่านจังพิจารณาว่า รูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นรูปเสียงกลิ่นรสอะไรพอรู้แล้วก็จะเกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสของสัที่ชอบที่ถูกอบถูกใจก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสของสัต์ที่ไม่ชอบที่ไม่ยินดีก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา พอเกิดสุขเวทนาขึ้นมาก็จะเกิดปัญหาความอยากได้ขึ้นอยากได้สิ่งที่เราชอบขึ้นถ้าเจอถ้าได้สุขเวทนาได้สัมผัสกับเรื่องสิ่งกิ่งรสผลิตภัณฑที่เราไม่ชอบก็จะเกิดความไม่พอใจความความอยากให้สิ่งที่เราไม่ชอบนั้นหายไป หรืออยากจะจากสิ่งที่เราไม่ชอบไปอันนี้ชอบเรียกว่าวิภวตัณหาถ้าชอบก็เป็นภาวะตัณหาหรือกามัตกตัณหาถ้าชอบรูปเสียงกลิ่นรสสัพผัก็เรียกว่ากามัตตตัณหาอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัที่ตนอชอบถ้าอยากจะได้สถานภาพเช่นอยากเงาอยากรวย อยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากมีความสุขมากๆอย่างนี้เรียกว่าภาวะตัณหาถ้าเจอสภาพที่ไม่ชอบเช่นความแก่ความเจ็บความตายก็จะเกิดวิภาวตัณหาขึ้นมาคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่คือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ภายในใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายความรู้สึกนึกคิดความอยากต่างๆเหล่านี้ก็ยังมีอยู่เช่นเวลาตายไปแล้วเช่นเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรก็ตามมันก็ยังมีปัญหาความอยากอ ย, กอยู่ในใจนนเหมือนเะดิมและความอยากนี้แหละที่ก็จะพาให้เราไปหาร่างกายอันใหม่อีกต่ออี ก, อก อีกครั้งหนึ่งอีกรอบเนี่ย่างนั้นเวลาที่เราไม่ได้ไปหาร่างกายนี้ไม่ได้หมายความว่าเราหายไปไหนใจของเราไม่ได้หายไปไหนใจของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมต่างตรงที่ว่าตอนนี้ไม่ต้องมีร่างกายมาแบกบมาทุกด้วยเท่านั้นเองนี่คือใจของผู้ที่ไม่กลับมาเกิดแล้ว เส้นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายใจยของท่านยังอยู่เหมือนกับตอนที่ท่านมีร่างกายอยู่เพียงแต่ว่าพอไม่มีร่างกายแล้วท่านก็หยุดหาร่างกายอันหนึ่งเพราะว่าท่านเห็นว่าร่างกายนี้เป็นภาระอันหนักเป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุข คนที่มีสัญญาคนที่ได้กำจัดความหลงโมหะอาวิชชาต้อกจากใจแล้วจะเห็นว่าการเกิดนี้เป็นไผ่เป็นทุกข์จะเห็นว่าการไม่เกิดเท่านั้นที่ไม่เป็นทุกข์และวิธีไม่เกิดก็คือหยุดตังหาความอยากขันใจหยุดความโลภความโกรธความหลง ที่เป็นเหตุที่ทําให้เกิดนั่นเองเป้าหมายของการปฏิบัติของพวกเรายังอยู่ที่การชำระกิเลสตัณหานี่เองชำระความโลภความโกรธความหมมลงชำระกามตัณหาความอยากในกางชำระภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นชำระวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ให้หมดไปจากใจของท่านนั้นเองเหมือนกับการซักเสื้อผ้าให้สะอาดเสื้อผ้าสะอาดก็เป็นเสื้อผ้าที่น่าสวมใสเสื้อผ้าที่สกปรกส่งปิ่นเหม็นก็เป็นเสื้อผ้าที่ไม่น่าสสวมใสจำไดใจที่ได้รับการชำระให้สะอาดแล้วก็เป็นใจที่มีแต่ความสุขใจที่ไม่ได้รับการชำระ ก็เป็นใจที่มีแต่ผวาทุกมีแต่ความวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาเป้าหมายของเราก็คือทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เป็นนิพพานังป ร, รมังสุ ข, ขัานให้เป็นนิพพานังป ร, รมังสุญญอย่างเท่านั้นนี่คือเป้าหมายของการที่เรามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นสวัสค้าโตพระกวัรธรโมเป็นคำสอนที่สุกต้องตรงความตรงกับความจริงทุกประการทางแบบนี้ก็จะได้ผล่างนี้อย่างแน่นอนแล้วก็เป็นคำสอนที่เป็นอากาวิโกก็คือว่าเป็นคำสอนที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เป็นความสานที่ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยสามารถใช้ปฏิบัติชำระใจได้ในสมัยพระพุทธการก็ ย, ยังสามารถนำมามาใช้ในการชำระใจให้สะอาดได้ในสมัยปัจจุบันและก็จะเป็นในอนาคตต่อไปเวลาที่มีพระพุทธเจ้าพระองค์หม่มาตัดสรู้ ก็จะนําคําสอนอันนี้มาสอนเพราะความจริงมันเป็นอาการวิโก้ใจชุกเพราะกิเลสใจสุขเพราะการดับของกิเลสอันนี้เป็นความจริงที่อ ม, มตะเป็นอ ม, มตะเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยเป็นมาก่อนนัน่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดจะรู้ แล้วก็เป็นต่อไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้จากพวกเราไปแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเวลาที่มีพระพุทธเจ้าองค์ไห่มาตารัสรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เป็สอนเหมือนกันหมก็คือสอนให้ชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์สอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้สามหัวข้อใหญ่ๆข้อที่หนึ่งก็คือ สับบปปาปัสสะอาการังคือละการก ร, ระทำบาทั้งปวงกุศลสู้ต่อสัมปทาการยังกุศลให้ถึงพร้อมก็หมายถึงการสร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมสาจิตระวิคือการชันะใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆุกข้ออกเพราะว่าความจริง เกี่ยวกับความสุขความทุกข์ของสัตว์โลกก็เป็นอย่างนี้อยู่ทุกยุคทุกสมัยต่อให้ อ, อนาพจน์อันไกลที่ยังมาไม่ถึงนี้ความจริงของสัตว์โลกก็จะเป็นเหมือนกับความจริงของสัตว์โลกในหวันนี้ก็คือความทุกข์ของสัตว์โลกนี้เกิดจากที่เหลตอต่ตา การจะดับความทุกข์ของสัตว์โลกก็ต้องชำระหรือกาจัดกิเลสปัญหาให้หมดไปจากใจทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นยุคนี้หรือยุคหน้าความจริงอันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คืออาการวิโกคําสอนของพระพุทธเจ้าอ น, นี้ยังมีประสิทธิภาพยังมีประสิทธิผลเหมือนในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอน ก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงจะจากพวกเราไปพวกเราก็ทรงได้ตรัสได้ว่าธรรมวินัยคือพระธรรมคำสอนของเรานี่แหละที่จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสน า, าไม่ได้อยู่ปราศจากครูจากอาจารย์เพราะเธอยังมีธรรมะคําสอนของเราเป็นศาสนาอยู่ และเราก็สามารถยึดคาสอนของ พ, พ่อพุตจ้านี้เป็นตัวแทนของ พ, พ่อพุตจ้าได้คำสอนของ พ, พ่อขุตจ้าก็คือสอนให้เราสชำระบาศสอนให้เรายังกุศลให้ถึงพร้อมสอนให้พวกเรากําจัดติเลตตังหาให้หมดไปจากใจทจําใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้เป็นข้ามิพาน เพื่อจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนและเราก็มีศรัทธาความเชื่อในพระอริยสมสารคือพระสาวกของพ่อพุทเจ้าที่ได้รับนาเราคำสอนของ พ, พ่อพทธเจ้ามาปฏิบัติจนสามารถชนะใจไ ของตนให้สะอาดปลอดเชื ides, ้อหาบรรลุเป็นพระอาวุโสบรรลุเปินพระที่ผ่านยจับที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุถความบริสุทิาบุธิ์เป็นที่าของของพระอาวุโสกับของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีความแตกต่างกันสะอาดบริสุทธา์เหมอนเือนกับ เชือของพระพุทธเจ้ากับเชือของพระอรนต์สาโกถ้าได้รับการชำระได้การทักพเพื่อยจะสะอาดเหมือนกันความตกต่างของพระพุทธเจ้ากับของพระอรนต์าสาโลกนี้อยู่ตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ต้องหาวิธีพักพ่อจิตใจด้วยตัวของเองไม่มีใครสั่ง ใครสอนไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะชำระใจให้สะอาดรอยสุให้เป็นพานิฐานขึ้นมาพระพุท ธ, ธเจ้าเลยต้องหาวิธีเองศึกษาค้นคว้าทดลองเหมือนกับพวกเราถ้าไม่มีครูสอนแล้วเราอยากจะทำกับข้ามชนิดหนึ่งเราก็ต้องลองผิดลองถูกลองทำดู ทำแล้วรับประทานชิอยู่ถ้ายังไม่ใช่ยังไม่เหมือนกับกับข้าวที่เราได้ไปรับประทานมาเราก็แก้ไขดับแต่งไปเรื่อยๆ เ, เติมน้ำตาลให้มากหน่อยเติมเกลือให้น้อยหน่อยใส่พริกให้มากขึ้นหรืออะไรก็สุดแท้แต่ลองไปลองมาเดี๋ยวก็จะได้รสชาติเหมือนกับแกงที่เราได้ไปรับประทานมานี่คือพระพิทจ้า ท่านต้องลองจูบรองผิดเพื่อที่จะได้หาวิปีมาชำระใจให้สะอาดลอยสุดกำจัดความโลภความโกรธความโหนงากาจัดปัญหาความอยากต่ตางๆให้หมดไปจากจากิกพอท่านชำระได้เสร็จแล้วท่านก็เลยเป็นพระอาหารหันต์ตัณมาสถุพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่ตัดทรู้ด้วยได้ด้วยตนเอง รู้วิธีชำระใจให้สะอาดลอยสุดเป็นนิพพานขึ้นมาส่วนท่าอาหาังตสาวลกนี้เป็นผู้ชำระใจให้สะอาดลอยสุดด้วยการฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าคําว่าสาวโลกนี้แปลว่าผู้ฝักอาหลังตัสสาวกก็คือท่าอาหลังที่เกิดจากการฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานี้ แต่และพระพุทธศาสนาจะมีพระพุทธเจ้าเพียงหนึ่งรูปเท่านั้นเธอจะเป็นผู้ที่พบวิธีชำระใจให้สะอาดลอยสุดแล้วผู้อื่นที่ได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติชำระาจให้สะอาดลอยสุดได้จนใจกายเป็นท่านิถันขึ้นมา ก็จะเป็นพระอาหันตสารัสรู้จะไม่เรียกตนเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าคำว่าพระพุทธเจ้า น, นี้เป็นผู้ที่ตรัสรู้ด้วยตนเองพระพุทธเจ้านี้ก็มีสองแบบด้วยกันแบบแรกก็คือพระอรหันตสตัสมารุตรัตเจ้าอย่างที่พวกเรารู้จักกัน คือหลังจากที่ได้ทรงตัดสรู้แล้วก็นําเอาคําสอนความรู้นี้มื่อเผยการสั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ตัดไปส่วนพระพุทธเจ้าอีกแบบหนึ่งเรียกว่าพระปฏิเจเกับพระพุทธเจ้าพระปฏิเจเกตพระเจเกตพระพุทธเจ้านี้พอทรงตัดสรู้แล้วไม่นําเอามาเผยการสั่งสอนให้แก่ผู้อื่น ยังไม่มีใครรู้ว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถรับประโยชน์จากการตัดเชื้ของข้าวตาเจกกับพระพุทธเจ้าได้มีเพิ่มีพระพุทธเจ้าสองแบบด้วยกันพวกเราต้องเจอพระอาหารหันต์ัสมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเราถึงจะได้รับประโยชน์ถ้าเราไปเจอพระวตาเจกับพระพุทธเจ้า เราก็จะไม่รู้ว่าท่านเป็นเทพุตัเจ้าเพราะท่านจะไม่บอกหรว่าท่านเป็นเทพุตัเจ้าแล้วท่านก็จะไม่สอน retaining. เราก็จะไม่ได้รับประโเราก็จะไม่ได้รับประโยอะไร จ, กรกรจากเทพีเจ้ทพีตเจ้าแต่ถ้าเราได้พบกับพระอ า, ารามตักสัมมาสามพาุทธเจ้าหรือได้พบตัวแทนของท่านคือพ้อธรรมคำสอนหรือพระอ า, ารามศาสนาพวกเราก็จะได้รับประโยชน์ พวกเราก็จะสามารถชำระจังของเราให้กระอานบอยสุทธได้ตอนนี้พวกเราไม่มีพ่อพุทธเจา้าแล้วเพราะพ่อพุทธเจา้าได้ระดับขันธ์้าตอนนี้ผ่านไปแล้วแต่เรายังมีพระธรรมคำสอนของ พ, พ่อพุทธเจ้าอยู่และเรามีพระอารามปัสาวกที่จะเอาคําสอนของพ่อพุทธเจา้ามาเผยแพร่ให้แก่พวกเรา มาอธิบายมาขยายความให้พวกเราได้เกิดความเห็นที่ถูกต้องได้เกิดปัญญาได้เกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามคําสัอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่พวกเราเทัาหลายได้มากันมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกัน า็เรามีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาความเชื่อในการในการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าและมีความศรัทธาความเชื่อในพระอาหารหันต์าสุษทั้งหลายที่ยังจะสามาร ถ, ถ น, รานำพวกเรานาพาพวกเราให้ได้หลุกพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้ได้ หลุดพ้นจากการมวีวบย่ำการกดดันนี่คือศรัทธาที่พวกเรามีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆซึ่งเป็นธรรมะที่สําคัญอย่างมากในการที่จะนําพาให้พวกเราได้เข้าสู่การปฏิบัติถ้าเราไม่มีความศรัทธาเราก็จะไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ ถ้าเราไม่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเ จ, จา้าเราก็จะไม่รู้ว่าตัวเรานี้คือใครเราก็จะคิดไปตามความห็ุนของเราว่าเราคือร่างกายถ้าเราเห็นว่าเราเป็นร่างกายเราก็จะเห็นว่าการกระทำอะไรต่งางๆนจะไม่มีผลอะไรตามมา หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปมี่ก็คือความเห็นของคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อกันแบบนี้เชื่อว่าตายแล้วเสร็จจะไม่เชื่อว่ามีนรกมีสวรรค์มีภาพนิพพานมีการยืนร่ายตามเด็กตามมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปมีแต่พวกที่ได้ มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่จะสนใจศึกษาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะก็จะได้รับความรู้ว่าตัวเรานี้ไม่ใช่ร่างกายตัวเรานี้คือใจใจที่ไม่มีวานตาใจที่เป็นนายของร่างกายใจเป็นนายกายเป็นหล่าวใจใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้ สั่งให้ไปหาสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้อยากได้รูปเึงจิตลดโทสะพาก็สั่งให้ร่างกายไปหาหมายอยากจะดูภาพเปยมก็สั่งให้ร่างกายไปที่รองภาพเถยมอยากจะหนึ่งอยากภาประทานอะไรก็สั่งให้ร่างกายไปที่ร้านอาหารนี่คือหน้าที่ของร่างกายเป็นบ่าวรับใช้ใจทีหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว ก็ตายเพียงแต่าบาปแต่ตัวเจ้านายไม่ได้ตายพอร่างกายตายไปก็เหมือนเหมือนเสียคนใช้ไป<ม>เจ้านายก็ไปจ้างคนใช้คนใหม่ไปหาคนใช้ใหม่มารับใช้ต่อสิ่งที่เจ้านายทำผ่ายทางร่างกายก็จนมีผลต่อไปถ้าทำบาปเจ้านายก็จะต้องรับโทษ ต้องไปรับต้องไปเกิดในอับายแห่งที่จะได้ร่างของมนุษย์ได้ร่างของเทพของตนก็จะต้องไปได้ร่างของเดบฉายได้ร่างของเปรตได้ร่างของอสุ ร, รกายได้ร่างของสัตว์นรกนี่คือสิ่งที่ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อผู้ที่เข้าหาพระพุทธศาสนาเข้าหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะได้รับรู้ ว่าตัเองนี้ไม่ได้เป็นร่างกายตันเองนี้เป็นใจและใจของตนนี้จะไปสูงหรือไปต่ำก็อยู่ที่มุญที่บางที่ใจนี้ทำผ่านทางร่างกายนี้เองพอทราบความจริงอนี้ก็จะทำทำแต่มุญจะไม่ทำบาปแล้วก็จะพยายามชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจกัดกี่ลสการหาเอา โมหะอวิชาให้หมดไปจากใจเพื่อที่ใจจะได้ไม่ต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างการอีกต่อไปใจจะมีความสุขเป็นเปลี่ยนอยู่ภายในหัวใจไม่ต้องหาความสุขจากที่อื่นต่อไปนี่ก็คือผมที่จะเกิดขึ้นจากศรัทธาความเชื่อพอเกิดศรัทธาแล้วก็จะเกิดวิริยะความภาคเปลี่ยนปุสาหะความพยายาม มีความพยายามที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเชื่อว่าปฏิบัติปฏิบัติได้มากเท่าไร ก, ก็จะได้ผลมากเท่านั้นถ้าปฏิบัติได้เต็มที่ก็จะได้ผลเต็มที่เพราะมีตัวอย่างของผู้ที่มีศรัทธาผ่านเชื่อมีวิริยะความอุตสาหะที่จะปฏิบัติตามที่พ่อพระเจ้าทรงสั่งสอนแล้ว ก็คือพระอาลหาันตัสาวกทั้งหลายที่พวกเรากราบว่าเคาเรวบอุชากันอยู่ในปัจจุบันนี้ลูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านนาหน้าภาคกันแล้วอัติิลของท่านได้กลายเป็นพระธาตเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านเป็นพระอาหลันตัสาวกของข้าพเจ้าอย่างแท้จริงเป็นผู้ที่มายืนยันว่าถ้าคำคําสอนของพระพเจา้านี้ไม่เป็นโมฆะ เป็นสวากขาโตพรวัาดิพันเป็นความจริงขั้นเหตุขั้นผลมายืนยันว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้านี้เป็นการตรัสรู้จริงการเป็นพระพุทธเจา้าการหยุดพ้นจากการเวียนว่ายาเกิดของพระพุทธเจา้าก็เป็นควานปิติมาเพราะว่ามีผู้ที่สามารถที่จะน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจา้า มาปฏิบัติจนทำให้ตนได้หยุดพ้นเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ ห, หลุดคํามอยานั้นนี่คือศรัทธาที่พวกเรามีกันและจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติทำไปแล้วได้รับผลศรัทธานี้จะมีความแก่กล้ามากขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้ายังไม่ได้รับผลนี่ศรัทธา ย, ยังมีโอกาสที่สั่งคลอนได้ถ้าเวลาเวลาใงที่เหลือหรือเวลาใดาที่ชีวิตตกต่ำแล้วได้ไปพบกับผู้ที่ไม่รู้จริงมาบอกให้เราเกิดความค่อยเขยเรากอา็อาจจะเกิดความค่อยเขยได้เช่นอาจจะมาบอกว่าเห็นไหมทำบุญไปท่าบุญถ้าเป็นท่าตาย แต่ทำไมชีวิตของเราไม่มีความเจริญก้าวหน้าเลยกับมีแต่ความเสื่อมันนี้ถ้าจิตใจเราไม่มีความแน่วแน่ต่อ พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็อาจจะเกิดความลังเลสงสัยหรืออาจจะเกิดการเสื่อมศรัทธาขึ้นมาประดานวางทำบุญไปะด้าแทนที่จะสุขที่จเจริญกับไม่เจริญไม่สุขกับมีแต่ประทุกขมากขึ้น กับจะมีแต่ความเสื่อมเสียมากขึ้นอันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าความเจริญที่แท้จริงนั่นอยู่ตรงไห น, นความเสื่อมเสียที่แท้จริงอยู่ตรงไห น, นเราไปมองในส่วนของร่างกายหรือไปมองในส่วนของลาบยศสรรเสริญถ้าเราไปมองส่วนนั้นแล้วมันจะทำให้เราคว้ยเข๋ยอได้ เพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลที่แท้จริงที่เกิดจากการทําบุญบบร่ำบาตรชนระใจให้สะาดบริสุทผู้ที่ทําบุญราำบาตรชำระใจให้สะาดบริสุทธนี้ไม่จําเป็นจะต้องเจริญในรน่ำยึดการเสรื่อมในความสุขทางตาถึงจะหมดทิ้งกันแต่กับจเจ่อญจากการเป็นพระมาหาเศษจากเป็นมาหาเศษฐีก็จะกลายมาเป็นขอทานได้เช่นพระพุทเจ้า จากการเป็นข้าวาชโรรถก็กลับมากลายเป็นขอทานเพราะต้องออกบวดเพราะถ้าอยากจะชำระใจให้ตาบยบริสุทได้ต้องอยู่แบบขอทานอยู่แบบรากบวชถ้ามองทางรากยศสารเสงก็จะเห็นว่าไม่เจอเลยเวลาทาบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรม ทารที่จะรล่าจรวยเพิ่มมากขึ้นการที่จะเป็นใหญ่เป็นโตเพิ่มมากขึ้นกับจนกับจนลงจนลงเงินน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะเอาไปทําทานหมดตําแหน่งก็ลาออกจากตําแหน่งลาออกจากงานละออกจากตาแหน่งตางๆจากเป็นผู้จัดการจากการเป็นเจ้าของบริษัทเก็ามาเป็นขอทานนะักบวช มีสมบัติอยู่เพียง8ชิ้นคืออัจบริฐานท่านั้นเองนี่คือผลที่จะได้รับจากการที่เราเชื่อและปฏิบัติการคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะพบกับความเสือ่อมพบกับความสูงเสียในทางลาบะลดสารเสนในทางความสุขทางตาหูจมูกมือกายแต่ความเจริญเราจะได้รับนี้เป็นส่วนที่คนอื่นมองไม่เห็นกัน เป็นควาจมจรรยาทางจิตจใจจิตใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความทุกง่า้อยลงจิตใจของเราจะสูงขึ้นจากมนุษย์เราก็จะเป็นเทศกันจากเทเสกเราก็จะเป็นโภมกันจากโภมเราก็จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆกันเป็นพระสวดามันเป็นพระสกิลาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอาหารกัน แต่การเป็นของใจเรานี้ไม่มีใครมองเห็นมีเราเท่านั้นที่มองเห็นถ้าเราไม่ศึกษาอย่างทาแท้จริงก่อนว่าผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติตามคําสอนของขพ่อพรธเจ้าว่าจะได้ถึงอย่างไรเราก็จะหลงไปคิดว่าผลที่เราจะได้รับก็คือเราจะนั่ารวยมากขึ้นและเป็นใหญ่เป็นโตสูงขึ้นไป จะมีการสรรเสริญเยี่ยยอมากขึ้นจะมีความสุขทางตาหูใจบวกร่้นการมากขึ้นนี่คือความเข้าใจผิดเพราะว่าไม่ได้ศึกษาขา้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้นั่นเองเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเขาว่าทำํำบุญแล้วจะเจริญรุ่งเรืองรักษาศีลแล้วจะเจริญรุ่งเรืองภาวนาแล้วจะเจริญรุ่งเรืองก็เลยคิดว่า จะรวยขึ้นจะเป็นอย่างเป็นโตมากขึ้นจะมีคนยกย่องสรรเสริมมากขึ้นจะมีความสุขทางตาหรือจะมุ่งมั่นการมากขึ้นแต่แท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันกลับจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆเพราะถ้าจิตใจสูงขึ้นมันก็จะเบื่อกับความเจริญทางราภห ร, รือสรรเสริมเพราะมันจะเห็นว่ามันเป็นผ่ามทุกข์นั่นเองยิ่งจิตใ จ, จเจริญ ม, มากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะมีปัญญาแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นพอมีแสงสว่างคือธรรมหรือปัญญานี้เพิ่มมากขึ้นก็จะเห็นความทุกข์ในราบเอลอศสรเสริญในความสุขทางตาหูจนูกวิ้นกายมากขึ้นพอจะเห็นอะไรพอจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในราบเลิศสนเสริญสุขนี่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ประพฤติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอน ใจก็จะมืดบอด ก, ก็จะมองไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาในราภนศสารสร็จนี้การที่เราเสื่อมจากราภยศสารเสร็จนี้ไม่ได้เสื่อมเพราะว่าถูกบังคับให้เสื่อมแต่เสื่อมเพราะเราอยากจะเสื่อมเพราะเราไม่อยากจะอยู่ใกล้มันแล้วเพราะเราเห็นว่ามันเป็นกองทุกข์มันไม่ได้เป็นกองสุข ผู้ที่ยังเห็นว่าลาบยศสารเสริญจุกนี้เป็นกองสุขอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่มีโมหะาอาวิชชาครอบงำยังเป็นพวกที่ตาบอดทูนวดอยู่นั่นเองไม่เห็นยาพิษว่าเป็นยาพิษกลับเห็นยาพิษว่าเป็นขนมหวานพอจริงเข้าไปแล้วถึงต้องกระอาบเลือดออกมาพอไปยึ่งกับลาบยศสารเสริญยึ่งกับความสุขทางตาหูจมูกมิจฉายนะ ก็มีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความไม่สบาย อ, อกไม่สบายจใจมีแต่ความทุกข์ความเศร้างเศรษฐจใจเวลาที่เสื่อมจากลางลเือสเลสริญสุดนั่น น, นี่คือผลที่พวกเราจะได้รับจากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าผลนี้อยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่าลาภเลสเสริญไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ร่างกายนี้มีแต่จะเสืิอลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจิตใจจะเจริญหรือไม่เจริญก็ตามร่างกายเขาก็มีวาระของเขาเขาเมื่อเจริญเโติบโตเต็มที่แล้วเขาก็ต้องก้าวสู่เข้าสู่วัยชราเข้าสู่วัยของผู้เจ็บไข้ได้ป่วยและเข้าสู่ความตายตามบรรดาศักต่อไปแต่ก่อนที่เราจะตายก่อนที่เราจะเจ็บไข้ได้ป่วย ก่อนที่เราจะแก่เรามีโอกาสที่จะใช้ร่างกายนี้มาศึกษาพระธรรมคาสอนของพ่อพระเจ้ามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพ่อพุทธเจ้าเพื่อยกระดับจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับยกขึ้นจากการเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นเทเจากเทเให้ไปเป็นพรจากพรมให้ไปเป็นพระอาริยะบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุด คือขั้นพระอราหานนี่คือสิ่งที่พวกเราได้รับสิทธิ์มีโอกาสที่จะเป็นได้ด้วยกันทุกคนเพราะว่ามีผู้ที่ได้รับสิ่งนี้กันมาเป็นจำนวนมากแล้วคือผู้ที่มีศรัทธาทางเชื่อในพระพุทธทระธรรมพระสงฆ์และน้อมนำเอาสิ่งที่พระพุทธทระธรรมพระสงฆ์ได้สอนได้สอนนี้เอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุปเป็นพระอาาริยสงสารก ท่นต่างๆกันนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศก็ทคำคําสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราทุกคนก็เป็นพวกที่มีจิตเหมือนกันถ้าเราเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วพวกเรามีศิตด้วยกันทุกคนขอให้พวกเรามีศรัทธาที่แน่วแน่ต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นยล้ก็ขอให้เรามีความอุตสาหะวิริยะ ความภาคเพลี่ยนที่จะพยายามปฏิบัติตามคําสอนให้ได้อย่างเต็มที่เท่านั้นเองคือให้ชําระบาปให้หมดไปจากใจให้สร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นงานของพวกเราที่พระพุทธเจ้าสมม่งมอบให้แก่พวกเราพระพุทธเจ้าไม่สามารถทํางานนี้ให้กับพวกเราได้ ถ้าทําได้ฝ่ายนี้พวกเราก็ไปถึงพระนิพพานกันหมดแล้วแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทําได้ก็คือบอกวิธีให้พวกเราปฏิบัติเท่านั้นเองถ้าพวกเราปฏิบัติเราก็จะได้ผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าสอนได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ต่างอะไรจากเราท่านก็เป็นมนุษย์เดินดินเหมือนกับเรามีร่างกายที่มีอาการช้ำอมเหมือนกับเรามีร่างกายที่ต้องแก่เสียใจเหมือนกับพวกเรา ไม่มีอะไรแตกต่างกันท่านทำได้เราก็ต้องทำได้เพราะมีพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ทำมันกันมาแล้วทำไปมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ที่เรากราบว่วบูชาที่อักษิของท่านได้กลายเป็นพระธาตุก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าพวกเราก็ทำได้เช่นเดียวกันขอให้พวกเราทำเท่านั้นแหละทำแล้วผลนันก็จะเกิด พอ เ, เกิดผลแล้วมันก็ยิ่งจะเกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเกิดความภาคภูมิเพิ่มากขึ้นแล้วก็จะสามารถทํางานนี้ให้สําเร็จได้าภายในชาตินี้เลยนี่คือผลที่จะเกิดจากการที่เรามีศรัทธาต่อข้อพุทธคัมภีร์พระสงฆ์ผลที่เกิดจากการที่พวกเราได้มาทําบุญทําทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทำเพิ่มให้มากขึ้นไปมากกว่าที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้เพระาะขณะนี้ที่เราทำกันอยู่นี้ยังไม่เพียงพอต่อการทำให้ภารกิจที่สำคัญนี้บรรลุล่ลวงไปได้แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเราได้ก้าวเข้าไปแล้วได้ได้เริ่มได้เริ่มปฏิบัติกแล้วขอให้เพิ่มปริมาณของการปฏิบัติให้มากขึ้น หาเวลามาปฏิบัติให้มากขึ้นตัดภารกิจต่างๆที่ไม่สําคัญให้น้อยลงไปเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาทําภารกิจที่สําคัญนี้ได้มากขึ้นจนทําได้อย่างเต็มที่คือลาออกจากภารกิจตาม ง, งานต่างๆแล้วก็มาอยู่แบบนักดวนเพื่อที่จะได้ปฏิบัติ กลรกทธ์ในการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เป็นพระนิพพานให้ได้ไปในชาตินี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องก้าวไปเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องวางแผนแล้วก็บังคับตัวเราให้เดินไปถ้าเราไม่วางแผนมันก็จะไม่มีวันที่จะไปมันก็จะเออเราเอยยบลอยลงไปเรื่อยๆเช้าชามเย็นชามไปความก้าวหน้าก็จะไม่มี คามก้าวหน้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต้อเมื่อเราต้องวางแผ น, นกําหนดกฎเกณฑ์เวลาเวลาของการปฏิบัติให้มันตอนนี้เราปฏิบัติจต่แค่วันละชั่วโมงเราก็ต้องเพิ่มเป็นสองชั่วโมงจากสองก็เป็นสามเป็นสี่เป็นห้าไปจนกระทั่งเต็มเต็มที่เลยตลอด เ, เวลาเลยยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นถ้าเราสามารถ กำหนดเวลาและปฏิบัติตามเวลาที่เรากาหนดได้ผลมันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะผลมันเกิดจากเหตุก็คือการปฏิบัตินี้เองไม่ได้เกิดจากพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดจากพระครรภไม่ได้เกิดจากพระสัจจะแต่เกิดจากการปฏิบัติทั้งหลาที่เรียกว่าสุ ป, ปฏิปนันโนอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปนันโนสามีจิปฏิปนัปปปนโนนี้ทําได้ ดัง น, นั้นขอให้พวกท่านจะมีาพามศรัทธาที่แน่วแน่และรักษาศรัทธา น, นี้ไว้ให้มั่นคงด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะมีแต่าพานสุนทรพานจริยในจิตใจไปเรื่อยๆจนถึงพระนิพพานในที่สุดาาการแสดงก็พอสมควรแต่เวลาจึงข อ, องยึดติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้อนยัตาวาลิลวาหาปุราปาเลปุเรนติสากขาังเอวเมวะอิตโตกินังไปตานังอุปกาปปติอิชิตังปัติถางตุหังกิสัเมวะสัมมิจตุสับเทปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาวะโสยัตามาริโชติ ราโสยถาสพิติโยวิวชัชานตุสัพโรคโควินาศตุมาเตผวะตวันตาลายโยสุขีทีคาโยโกขวัตอภิวาตนะสีหิสาณิจังวุฒาปัจามิานโนยตาโรธรรมาวะทาติอายุวโนสุขาทารา ใครมีคําถามเชิญถามได้นะคะข้างบนมีใครมีคําถามไหมคะเด็กจะกลาบเรียนถามหลวงพ่อต่อค่ะคือการใช้ชีวิตอยู่กับทางโลกในการประกอบสมาอาชีพแล้วว่าเป็นเรื่องที่รูกเป็นทุกข์แล้วก็รู้สึกว่าฝืนใจเพราะว่าชีวิตมันก็ต้องมีการแข่งขันแล้วก็ถ้ายิ่งจําเป็นต้องประสบความสําเร็จก็ต้องมีการแข่งขันมากบีบคั้นมาก ไม่เป็นสุขแต่ว่าก็ยังจำเป็นที่จะต้องทำหน้าที่ทางโลกเพื่อดูแลแล้วก็ตอบแทนผู้มีพระคุณให้สุขสบายก็คือต้องทนอยู่กับความไม่ชอบอะคะ่ะแล้วก็ต้องคิดแล้วก็ทำงานยากๆเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตอบแทนมากขึ้นแล้วก็ต้องทนที่จะต้องอยู่รับคำสั่งกับคนที่อันนี้คือความคิดของเราอะนะคะว่าเขาฉลาดน้อยกว่าเราหรือว่ารู้น้อยกว่าเรา ซึ่งเราไม่ชอบเราไม่สบายใจเราก็เป็นทุกข์เออเราควรจะใช้ธรรมะข้อไหนเพื่อที่จะนํามาปรับจิตใจเราหรือว่านํามาปฏิบัติเพื่อแก้ไขให้ทุกข์น้อยลงตราบเท่าที่ยังจําเป็นต้องอยู่กับทางโลกแล้วก็ต้องทํางานปฏิบัติหน้าที่ซึ่งยังไม่สามารถที่จะปีกวิเวทบวชศึกษาได้ค่ะหลวงพ่อ คือเราจะต้องปรับเป้าหมายของชีวิตของเราใหม่ตอนนี้เป้าหมายของชีวิตของเราเนี่พุ่งไปที่ลาบยศสรรเสริญพุ่งไปที่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งไม่ใช่เป็นเป้าหมายที่ควรจะตั้งเพราะว่าเป็นกองทุกข์ถ้าเราต้องตั้งเป้าหมายอยู่ที่การเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ เราก็จะต้องทุกแบบที่เราทุ ก, กันอยู่ขณะนี้แต่ถ้าเราตั้งเป้าว่าชีวิตของเรานี้มีความสำคัญอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนร่างกายและส่วนจิตใจส่วนร่างกายนี้ก็ขอให้มีปัจจัยสีเพื่อที่จะเยียวยาดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้อย่างไม่ทุกไม่เดือดร้อนก็ควรจะพอแล้วเช่นมีบ้านอยู่ มีเสื้อผ้าไว้นุ่งหม่มมีอาหารรับประทานมียา ร, รักษาโรคไว้สำหรับรักษาโรคภายในแค่เจ็บเท่านี้ก็พอแล้วสาหรับร่างกายและก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบหรูหราหรือแบบมีราคาแพงๆเพราะว่าปัจจัยสี่ของคนรวยหรือของคนจนก็ทำหน้าที่เท่ากัน ก็คือดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้วันในวันวันหนึ่งไม่ไม่เดือดร้อนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือเป้าหมายแรกที่เราควรจะตั้งไว้ก็คือที่ร่างกายส่วนเป้าหมายที่จิตใจนี้ต้องอยู่ที่การใช้ธรรมะใจของเรานี่จะสุขรูธธ้จะทุกข์นี้อยู่ที่ว่ามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะไม่ได้อยู่ที่ว่ามีลาบยศสรรเสริญ มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือไม่ะนะครันเราก็ถ้าเราอยากจะให้ใจของเรามีความสุขที่เป็นความสุขที่เรียกว่าน่อกเหนือจากความสุขที่เราได้รับจากร่างกายหมายความว่าถ้าเรามีความสุขทางร่างกายแล้วแล้วเราอยากจะมีความสุขมากกว่านี้มีความทุกข์น้อยกว่านี้เราก็ต้องมาสร้างธรรมะกันมาทําทานกันถ้าเรามี มีฐานะที่จะทําได้ถ้าเราไม่มีฐานะก็ไม่ต้องทําก็ได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายอะไรถ้าไม่ได้ทําทานแต่เราต้องรักษาศีลให้ได้ไม่ทําบาปเพราะการทําบาปจะทําให้เราเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแล้วก็ให้เรามาภาวนาทําใจให้สงบใจสงบมากเท่าไหร่ก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้น นี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะตั้งเป้าหมายกันไว้ก็คือหนึ่งดูแลร่างกายให้อยู่ไปอย่างปกติสุขแต่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินทองมากมายอยู่แบบขอทานหรืออยู่แบบเศรษฐีก็ร่างกายก็มีความสุขเหมือนกันเช่นพระที่มาบวชท่านก็อยู่แบบขอทานร่างกายของท่านก็อยู่อย่างสุขอย่างสบาย ร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระอาหารหันต์ท่านก็อยู่แบบขอทานอ่างท่านก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนอร่วนใจของท่านท่านก็บำเพญ็ญจิตตะภาวนาเป็นหลักเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาทำใจให้สงบรักษาศีลรักษากายวาจาให้ร่างอยู่ในความสงบในความถูกต้องคือไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ ใจก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและความสุขของิจนี้จะมีมากกว่าความสุขของร่างกายหลายร้อยเท่าเลยกันและก็เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไปต่อสู้กับคนอื่นการสร้างธรรมะให้แก่ใจของเรานี้เราไม่ต้องไปแข่งขันไม่ต้องไปมีปัญหากับใครทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของการกระทำตามลําพังนั่นเองผู้ที่จ ะ, จะเจริญในทาง จิตตภาวนานี้มักจะต้องปรีกวิเวกอยู่ตามลําพังต่อสู้กับข้าศึกศักศตรูที่แท้จริงของพวกเราก็คือกิเลสตัณหานี่ถ้าเราทำลายกิเลสตัณหาข้าศึกศัตรูของเราได้มากเท่าไหร่ความสุขภายในใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นความทุกข์ภายในใจก็จะมีน้อยลงไปเท่านั้นจนหมดไปในที่สุดได้ นี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะศึกษาและทำความเข้าใจให้เพื่อให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิเห็นมีความเห็นที่ถูกต้องว่าเป้าหมายชีวิตของพวกเรานี้อยู่ที่ร่างกายและจิตใจร่างกายก็คือปัจจัยสี่จิตใจก็คือธรรมะเท่านี้เองแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะของขารวาสหรือของนักบวชเป็นขารวาสเราก็ ปฏิบัติทำได้สร้างธรรมะขึ้นมาได้แต่ถ้าอยากจะสร้างให้เร็วและสร้างให้มากก็ออกบวชจะได้ประโยชน์กว่าเท่านั้นเองแต่ถ้าเรายังมีภาระเช่นดูแลพ่อแม่อยู่เราก็อยู่ในฐานะของคารวะไปก่อนสร้างธรรมะในฐานะของคารวะไปก่อนดูแลร่างกายของพ่อแม่ให้มีปัจจัยสีไว้อ่อ ไว้ดูแลรักษาชีวิตของท่านท่านก็จะมีความสุขได้พาท่านทําบุญเชิญชวนท่านรักษาศีลภาวนาจะดีกว่าดีกว่าไปหาเงินหาทองแล้วก็พาท่านไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทเที่ยวเสร็จแล้วก็หายไปหมดความสุขนั้นพอกลับมาอยู่บ้านก็รู้สึกว่าเว่ยเศ้าสร้ยง้อยเหงาเหมือนเดิม เพราะใจไม่มีธรรมะมีแต่กิเลสปัญหาที่มุ่งคอยจะสร้างแต่ความเศร้าส้อยหงอยเหงาให้แก่ใจอยู่เรื่อยๆนั่นเองนี่คือเราต้องปรับแผนปรับเป้าหมายของชีวิตเราว่าอย่าพุ่งไปที่ลาภยศสรรเสริญสุขไม่พุ่งไปที่การดูแลรักษาร่างกายและใจอ่านความต้องการของร่างกายและใจร่างกายต้องการปัจจัยสี่ใจต้องการธรรมะ มีใครอยาก จ, จะถามอนึ่งไหมกรับมาสักการพระอาจารย์ค่ะโดจะขอบสอบถามในส่วนของการปฏิบัติอะค่ะคือปกติท่านั่งสมาธิคือก็ไม่ทราบอะนะคะว่าไปเขาเรียกว่าขั้นอะไรก็คือแค่รู้สึกว่า บางครั้งเนี่ยมันก็ใจมันก็สงบแล้วมันก็เบาเบาสบายๆนะคะแต่พอตอนจิตถอนออกมาเนี่ยก็เลยก็เลยลองทำตามคือไม่แน่ใจว่าทำถูกหรือเปล่าที่จะมาเรียนถามไปคือก็นั่งหลับตาต่อแล้วก็พยายามพิจารณาว่าสมองตาปากหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพิจารณาสังขารนะคะแต่ว่าไม่ไม่มั่นใจว่าทำอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าแล้วก็เวลาพิจารณาเนี่ยควรจะพิจารณาแค่ รูปพัณฑ์ว่าสมองเป็นยังไงคืออาศัยภาพอสุภะที่เราเคยเห็นมาหรือว่าเราควรจะคิดอะไรตอนรับพิจารณาเราก็อีกคำถามหนึ่งก็คือว่าเวลาพิจารณาเนี้ยค่ะเราควรพิจารณาค่อ ย, อยๆไล่เราสามารถพิจารณาไล่ลงจากทางสมองตาแล้วก็ไล่มาทางปอดหัวใจลงไปข้างล่างหรือเราควรพิจารณาที่ใดที่หนึ่งอยู่กับที่นานๆ น, นะคะขอบพระคุณมากค่ะคือการปฏิบัติภาวนานี้เราต้อง ทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนหนึ่งเรียกว่าสมถะภาวนาขั้นตอนที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเวลาที่เราทำขั้นใดนี้เราควรจะทำแต่เฉพาะขั้นนั้นเพียงอย่างเดียวถ้าเราทำสมถะภาวนานี้สิ่งที่เราต้องการก็คือความสงบความนิ่งของใจไม่คิดปรุงแต่ง นั้นเป้าหมายของเราในเบื้องต้นนี้เราต้องการหยุดความคิดตรงแต่งเพื่อให้ใจสงบให้ใจรวมลงเป็นอุเบกขาสัตว์แต่เรารู้ถ้ายังไม่รวมลงก็พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆโดยใช้อุบายของสติที่มีอยู่4ี่สชนิดด้วยกันเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติหรือกายกตาสติเราต้องเจริญสติในเบื้องต้นก่อนเพื่อดึงใจไม่ให้ลอยไปลอยมา เช่นใช้การบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปตลอดเวลาที่เราตื่นตั้งแต่ก่อนที่เรามานั่งสมาธิเราต้องเตรียมสติไว้ก่อนเตรียมใจไว้ก่อนถ้าใจยังลอยไปลอยมาเวลานั่งสมาธิใจจะไม่มีวันสงบไม่มีวันที่จะรวมได้นั้นเรื่องต้นเราต้องจเจริญสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดเรื่องเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จำเป็นถ้ามีเรื่องจาเป็นก็ต้องคิดก็คิดได้คิดเสร็จแล้วก็หยุดคิด แล้วก็มาคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดเช่นใช้ทำบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกิริยาตัวอันนี้ก็จะทําให้เรามีสติดึงใจไว้ไม่ให้คิดพอเวลาเรานั่งสมาธิสติก็จะดึงใจให้รวมเข้าสู่สมาธิได้เวลาใจเข้าสู่สมาธินี้มันจะสงบมันเนื่งจะว่างจะมีความสุขมากจะมีอุเบกขา จะไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆถึงแม้ว่าจะได้ยินเสียงหรือยังรู้สึกผ่านทางร่างกายแต่ใจจะไม่สนใจร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนี้จะไม่ลาคาญใจอย่างนี้เรียกว่าสมาธิถ้าเข้าถึงขั้นนั้นก็ขอให้รักษาให้มันอยู่ในนั้นนานๆด้วยการประครับประคองสติไว้อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถ้าคิดก็เดินกลับมาให้สักแต่ว่ารู้ไปนานๆ จนกว่ที่จะอยู่ไม่ได้แล้วถึงต้องออกมาก็ถือว่าเราได้เจ็ดขั้นของสมาธิไปในคาบหนึ่งแต่เรายังอาจจะยังไม่ชํานาญเราอาจจะต้องกลับมาทําอย่างนี้บ่อยๆทําอย่างนี้เรื่อยๆก่อนเพื่อให้เรามีฐานของของปัญญาของวิปัสสนาดังั้นในเบื้องต้นนี้เราต้องหัดเจริญสมถะภาวนาให้ใจรวมลงให้สงบให้ได้ออกจาก ออกจากความสงบมาก็ให้รักษาสติต่อไปกบกุมความคิดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีความชำนาญในการเข้าออกสมาธิต้องการจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้เข้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายอย่างนี้ถึงเรียกว่าเราชำนาญเราสามารถเข้าสมาธิได้ตามที่เราต้องการถ้าเราได้ชำความชนานาญอย่างนี้แล้วขั้นต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิมาก็ให้เจริญวิปัสสนา วิปัสสนานี้ไม่จเจริญในขณะที่อยู่ในสมถะไม่ได้จะไม่จเจริญในขณะที่ใจสงบจ ะ, จะเจริญต่อเมื่อใจออกจากความสงบแล้วมาคิดปรุงแต่งคิดถึงเรื่องน้นเรื่องนี้ทีนี้เราก็ต้องเอามาสอนใจให้มาศึกษาความเป็นจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้มันเป็นอะไรกันแน่มันมีอะไรบ้างเช่นพิจารณาว่าร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย พิจารณไปได้เรื่อยไม่ให้ลืมจําไว้ทุกครั้งจะให้มันมีอยู่ในความรู้สึกของเราตลอดเวลาว่าร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพื่อที่เวลามันแก่เราจะได้ไม่ตกใจเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่ตกใจเวลามันจะตายเราจะไม่ตกใจเพราะเรารู้อยู่ตลอดเวลาว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือวิปัสสนาให้เราสอนใจถึงความจริง ของใจว่าของร่างกายว่าเป็นอะไรแล้วก็ให้พิจารณาอาการสาสิบสองก็เหมือนกับว่าเรามีกระเป๋ามีของอยู่ในกระเป๋าเราอยากจะรู้ว่าในกระเป๋านี้มีของอะไรเราก็ต้องเปิดกระเป๋าออกแล้วก็หยิบของออกมาที่เราชิมใช่ไหมมีเช็คมีมือถือมีอะไรต่างๆในกระเป๋าเราก็หยิบออกมาเาเพื่อเราจะได้ดูรายการของสิ่งที่มีอยู่ในกระเป๋า ในร่างกายนี้เราก็ต้องศึกษาให้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างถ้าเราศึกษาดูตามที่เจ้าสอนก็จะเห็นว่ามันมีแค่ส2อาการมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกกระดูให้มันครบทั้งส2อาการดูมันให้จนชำนาญจนกระทั่งทุกครั้งที่มองร่างกายจะเห็นว่ามันเป็นเพียงอาการสาสองที่มารวมตัวกันทำให้เป็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเท่านั้นเอง แต่ความจริงมันไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายเป็นนายกอนางขออันนี้เป็นชื่อที่เราปะให้กับร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้มันมีเพียงอาการสาสิบสองเหมือนกันหมดทุกๆคนไม่ว่าจะเป็น น, นายกอนายขอหรือเป็นใครก็ตามจะมีอาการสาสบสองเหมือนกันหมดแล้วก็มีอาการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นขอทานเป็นมหาเศรษฐี ก็เป็นเหมือนกันหมดร่างกายไม่มีความแตกต่างกันแล้วเวลาตายไปก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราอยู่ในร่างกายเราเป็นใจเราเป็นเพียงแต่เป็นผู้มาใช้ร่างกายที่เป็นเหมือนคนรับใช้เราเท่านั้นเองแต่เราไปหลงคิดว่ามันเป็นเราเป็นร่างกายไปถ้าเราหลงแล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะเกิดความทุกข์มาก เวลาร่างกายแก่เจ็บตายเราจะคิดว่าเราแก่เจ็บตายตามร่างกายไปนี่คือวิปัสสนาที่เกี่ยวกับร่างกายในส่วนหนึ่งยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือร่างกายที่เราหลงไหลที่เราคิดว่าสวยว่างามที่เราอยากจะมาได้มาเป็นสมบัติได้มาเป็นคู่คร อ, องของเราได้มาให้ความสุขกับเราเราก็ต้องมองให้เห็นว่ามันก็ไม่สวยไม่งามอย่างที่เราคิด จะสวยงามก็แต่เฉพาะอยู่ที่ผิวหนังนี้เท่านั้นอยู่ที่ภายนอกถ้าเรามองทะลุเข้าไปข้างในเราก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามเช่นถ้าเราพิจารณาการสาสิบสองอยู่เรื่อยๆเวลาเราเห็นคนที่เราเกิดความค่ายขึ้นมาเราก็จะสามารถระงับความค่ายได้เพราะความค่ายนี้มันจะต้องพาให้เราต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาต้องอยู่กับเขา แล้วเมื่ออยู่กับเขาแล้วก็จะเกิดความผูกพันเกิดความายึดติดก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่ต้องพัดพากจากกันหรือเวลาไม่ได้เห็นกันหรือว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเกิดมีการกระทบกระทั่งกันมีความเห็นไม่ตรงกันแทนที่จะมีความสุขจากการได้อยู่กับคนที่เรารักก็กลับกลายเป็นความทุกข์ไปได้ ถ้าเราไม่ต้องการที่จะเจอความทุกข์เหล่านี้เราก็ต้องสอนใจให้มองเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายที่เราหลงไหลข้างไคร<ม>เพื่อที่เราจะได้ตัดใจไม่ต้องไปอยู่กับเขาไม่ต้องมีเขามาเป็นคู่ครองกับเราสู้อยู่คนเดียวดีกว่าถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับเขาถ้ามีเขาแล้วเราก็ต้องทุกข์กับเขานี่คือวิธี เจริญวิปัสสนาในส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายพิจารณาเพื่อให้เราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายไม่มีตัวไม่มีตนทำมาจากดินน้ำลมไฟไม่สวยไม่งามเวลาร่างกายแก่นี้ไม่สวยไม่น่าดูเวลาร่างกายตายนี้ไม่สวยไม่น่าดูหรือเวลาชำแหละร่างกายออกมาดูภายใน ภายใต้ผิวหนังก็จะเห็นในส่วนที่ไม่สวยไม่นาาไม่น่าดูอันนี้ก็จะทำให้เราตัดตัณหาความอยากได้ความอยากในกามได้และตัดวิภาวะตัณหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้อันนี้เรียกว่าวิปัสสนาเป็นเวลาที่เราทำตอนที่เราออกจากสมาธิมาถ้าเราพิจารณาไปได้ระยะหนึ่งแล้วใจเริ่มไม่ไ ม, ไม่ไม่พิจารณาตามความจริงเริ่ม พิจารณาออกไปทางความหลงเราก็ต้องหยุดพิจารณาแล้วก็กลับเข้ามาในสมาธิเพื่อที่จะมาชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่เราต้องการก็คือความสงบความเป็นอุเบกขาเพราะเวลาพิจารณาไปเรื่อยๆอุเบกขามันจะหายไปพออุเบกขาหายไปกิเลย ก, ก็จะออกมาแทนที่พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายไม่สวยงามกลับจะไปมองเห็นว่าสวยงาม แทนที่จะว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะไปเถียงว่ามันยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายถ้ามันเถียงมันไม่ยอมรับความจริงเราก็หยุดพิจารณาแล้วก็กลับไปเข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบพอออกจากสมาธิมาก็พิจารณาไปใหม่พิจารณาไปอย่างนี้ทำไปอย่างนี้เข้าๆออกๆกจนกว่าใจจะเห็นชัดเจนว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้มีอาการสาที่สองที่ไม่ดูไม่น่าดูซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังได้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะกำจัดทําลายตัณหาความอยากได้บางส่วนนี่คือขั้นต้นของการเจริญวิปัสสนาเป็นขั้นของพระอาณนะพระโสดาบันพระสกิทาคามีและพระอาณาคามี ถามเพิ่มนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์คืออยากทราบว่าต้องต้องหลอต้องให้เข้าสมาธิเป็นอุเบกขาเสร็จแล้วถอจิตถอนออกมาแล้วเริ่มพิจารณาคือตัวเองเนี่ยไม่ทราบว่าวจิตเนี่ยเขาเรียกว่าอุเบกขาหรือเปล่าอ่ะค่ะเลยไม่แน่ใจว่าสมาธิถ้าสมมติว่าขั้นที่เรารู้สึกว่ามันถอนออกมาแล้วแลวเราพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันทําได้ไหมหรือว่ายังไม่ควรทําคือควรฝึกให้คล่องให้ให้จิตสงบเข้าเข้าออกอย่างอย่างชานานก่อนนะคะ ควรจะทำจิตให้สงบให้ชำนานก่อนจะดีกว่าเท่าที่พูดนี้มาก็แสดงว่ายังไม่เคยเจอเบคขาที่แท้จริงถ้าเจอของจริงแล้วมันจะไม่สงสัยมันจะรู้ว่ามันเหมือนยกภูเขาออกจากอกเ <S S 2> วลาใจสงบอย่างเต็มที่ใจปล่อยวางอย่างเต็มที่นี่ความหนักอกหนักใจอะไรนี่มันจะหายไปหมด มันมันจะเป็นอาการเบาๆของจิตแล้วก็น่าจะยิ้มแล้วก็เหมือนบ้องโล่อย่างเงี้ย <นะ S 1> ค่ะมันก็ยังไม่เต็มที่ททก็ทำไปไก่อนอเพราะฉันอย่าเพิ่งพิจารณาก็คือฝึกให้สมาธิเราสมาถะเราแน่นก่อนใช่ไหมคะค่ะจะว่าไม่ให้พิจารณาเลยก็ไม่ได้ถ้าพิจารณาได้เวลาออกจากสมาธิมาก็พิจารณาไปเพราะว่าบางในบางส่วนเราสามารถที่จะพิจารณาตัดได้แล้วก็ตัดไปก่อน เช่นเราตัดของที่ง่ายไปก่อนเช่นของนอกกายนี้เช่นลาบยศสารเสรนนี่เราสามารถใช้ปัญญาพิจารณาว่าเป็นตายลักษณ์ได้เช่นลาบยศเงินทองอะไรเหล่านี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันที่จะหมดไปถ้าเราพิจารณาแล้วเราปล่อยวางไม่ไปยึดติดไม่ไปใช้เงินทองเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการหาความสุขอันนี้ก็เป็นปัญญาในระดับหนึ่ง พิจารณาเท่าที่เราจะพิจารณาได้เราต้องดูผลของการพิจารณาว่าต้องตัดปัญหาได้ถ้าตัดไม่ได้ก็แสดงว่าสมรรถะเราไม่มีกาลังพอเราก็ต้องกลับมาสร้างสมรรถะให้มีกาลังเพิ่มมากขึ้นถึงจะตัดได้ ม, มีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตหรวเปล่ามีเขาอเอาเถามเลย อาาช้าๆก็แน่นใจเย็นๆเสีย yeah. <c oughs> มือหม่หัดครับ <c oughs> ต่อไปเป็นคำถามจากเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะคะจากคุณอําพัยพัฒพิทักษ์กับนมัสการพระอาจารย์ค่ะได้ฟังเทศนาของหลวงตามหาบัวว่าประตูทางเข้านิพพานเล็กมากเส้นผมแบ่งเป็นสามส่วนแล้วยังยากที่จะเข้าได้ขอเรียนพระอาจารย์ปโปรดอธิบายเพิ่มเติมให้ด้วยเจ้า่ะ ก็ค es, que si er es de ือคนจะเข้านิพพานได้นี้จะต้องลดอัตราตัวตนลงให้มากที่สุดจนถึงศูนย์ถ้ายังมีอัตราตัวตนยังถือตัวอยู่ก็จะเข้าไม่ได้ผู้ที่จะเข้านิพพานนี้ต้องเป็นตัวรู้เท่านั้นผู้รู้เท่านั้นถ้ายังมีอัตราตัวตนยังถือว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่อยู่มันก็จะเข้าไม่ได้งนั้นต้องละลดละหัดลดละอัตราตัวตนตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นปฏิบัติ ท่านสอนให้เราทําตัวเป็นแบบเป็นภาคที่ริ้วทําตัวเป็นเหมือนปาตพีคือเป็นเหมือนแผ่นดินใครจะเหยียบใครจะย่ำใครจะทําอะไรเทอุจร ะ, ะปัสสาวะลงแผ่นดินแผ่นดินมันไม่เดือดร้อนทําใจเราให้เป็นอย่างนั้นให้มันหนักแน่นต่อความสรรเสริญนินทาต่อการเจริญต่อการเสื่อมของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ อย่าไปมีอัตตาตัวตนยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเพราะอันนี้มันจะเป็นตัวที่จะขวางไม่ให้เรได้เข้าสู่พระนิพพานถ้ามีตัวตนเราก็จะเกิดความกลัวแก่เจ็บตายก็เข้านิพพานไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์ท่านพูดไว้ว่านิพพานอยู่ภากตายผู้ที่จะเข้านิพพานนี้จะต้องไม่กลัวตายถ้าไม่กลัวตายก็ต้องลดละ สักกายะทิฏฐิความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราต้าองมองว่าร่างกายนี้เป็นคนใช้ของเราเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราเอามาใช้งานเท่านั้นเองเมื่อถึงเวลาเขาจะลาออกจากงานเขาจะกลับบ้านเก่าก็าปล่อยเขาไปไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปห่วงนี่คือเรื่องของทําไมนิพพานจึงเป็นช่องเล็กมากเพราะว่า เรามีตัวตนมากมีอัตตาตัวตนมากเราจึงต้องลดละอัตตาตัวตนจนกระทั่งไม่มีเลยแล้ว อ, อยู่เลยให้เหลืออยู่แต่ตัวรู้เท่านั้นการที่เราจะเห็นตัวรู้นี้ได้ก็ต้องเข้าไปในสมาธิก่อนเวลาจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วก็จะเห็นตัวรู้ว่าเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะได้ทำตัวเราให้เป็นตัวรู้ไปเรื่อยๆหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้ว แทนที่จะเจ้าขี้เจ้าการมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่เราจะเห็นก็จะให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าเห็นไม่มีผู้รับรู้ไม่มีผู้รู้ผู้เห็นเห็นเฉยๆมีการเห็นมีการมีการเห็นมีการได้ยินแต่ไม่มีผู้เห็นผู้ได้ยินเมื่อไม่มีผู้เห็นผู้ได้ยินก็ไม่ต้องมีผู้ตอบโต้ใครด่าเราก็รู้ว่ามีการด่า ไม่ต้องไปตอบโตะไม่ต้องไปทาอะไรทั้งนั้นใครจะชมก็ไม่ต้องไปตอบโต้นอกจากถ้าทำด้วยสติปัญญาทำไปตามมารยาทไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกยินดีหลงไหลข้างใครก็ทำได้ใครพูดอะไรดีแล้วก็ต้องขอบคุณเขาก็พูดขอบคุณไปเป็นมารายาทเป็นกิริยาแต่ไม่ได้เป็นออกมาจากอัตตาตัวตนออกมาจากสติปัญญาออกมาจาก ตัวรู้ผู้รู้เท่านั้นผู้ที่สักแต่ว่ารู้อันนี้จะเข้าถึงตัวผู้รู้ได้ก็ต้องทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิเนี่ยถึงึงบอกว่าต้องมีตัวรู้นี้ก่อนแล้วเ ว, เวลาจเจริญปัญญาเวลาพิจารณาต่างๆถึงจะเข้าใจว่าตัวรู้กับสิ่งที่กำลังพิจารณานะอยู่นี้เป็นคนละส่วนกัน แต่ถ้าไม่มีไม่เห็นตัวรู้นี้เวลาพิจารณาร่างกายก็ยังคิดว่าร่างกายนี้ก็เป็นตัวเราอยู่นั่นเนี่ยพิจารณไงก็มองไม่เห็นแยกไม่ออกเพราะมันไม่ได้แยกออกจากกันมันจะแยกออกจากกันก็ต่อเมื่อจิตรวมลงเป็นเป็นสมาธิรวมลงเป็นหนึ่งจากแต่ว่ารู้มีอุเบกขามีความสงบมีความว่างนี่คือเรื่องของ การปฏิบัติที่จะต้องแยกเป็นสองส่วนและต้องรู้ว่าส่วนใดเวลาเราปฏิบัติเราต้องการผลอย่างใดส่วนใหญ่เราจะทํากันแบบปนกันไปปนกันมามันก็เลยเละเทะเหมือนกับเอาน้ําร้อนมาผสมน้ําเย็นมันก็เลยไม่ได้ทั้งอย่างร้อนก็ไม่ร้อนเย็นก็ไม่เย็นฉันใดเวลาเราภาวนาสมถะจิตยังไม่ทันสงบเราก็ออกไปวิปัสสนากันแล้ว วิปัสสนาก็ไม่ได้ผลเพราะตัดตัณหาตัดกิเลสไม่ได้สมาถะความสงบไปนูเบกขาก็ไม่ได้ปฏิบัติไปมากี่ปีมันก็ไม่ก้าวหน้าสักทีเพราะมันปฏิบัติแบบไม่ถูกหลักไม่แยกแยะให้มันถูกเป็นขั้นเป็นตอนไปดงนั้นขั้นตอนแรกที่เราควรจะทําก็คือจเรจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับ สติจะเป็นตัวที่จะเดินใจให้รวมเข้าสู่สมาธิได้พอเรามีสติเวลานั่งจิตก็จะเข้าสู่สมาธิได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งสัตว์แต่ว่ารู้เราก็จะเห็นตัวรู้แล้วเราจะรู้ว่าตอต น, นี้เราต้องอยู่กับตัวรู้อย่าไปอยู่กับตัวตนให้รู้เฉยๆเห็นอะไรก็ให้รู้เฉยๆรับรู้เฉยๆใครก็ทาอะไรก็รับรู้ใครก็ทาดีไม่ดีก็รับรู้ไป ถ้าไม่มีตัวนี้มันจะมีตัวตนออกมารับแทนพอไปทำอะไรไม่ถูกใจตัวตนตัวตนก็เดือดร้อนขึ้นมาทันทีโกรธขึ้นมาทันทีเวลาทำอะไรถูกใจก็ดีอกดีใจชื่นชมยินดีไปกับเขาทันทีต่อไปมันจะรู้เฉยๆถ้าจิตมันเป็นอุเบกขามันจะสักแต่ว่ารู้ได้แล้วมันก็จะปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ไม่เกิดตัณหาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอรู้ว่า ทำไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเราไปสั่งให้คนนั้นคนนี้ก็ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้นได้หรือเปล่าบางทีเราอาจจะสั่งได้แต่สั่งได้ทุกครั้งหรือเปล่าเวลาสั่งไม่ได้เป็นยังไงวุ่นวายใจไหมเสียหอกเสียใจไหมสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองเพราะไม่รู้ว่าตัวเราที่แท้จริงอยู่ตรงไหนตัวเราที่แท้จริงอยู่ที่ตัวรู้ให้ยึดให้รับรู้เท่านั้นนี่คือสมถะพอเรามีสมถะแล้วเราออกจาก สมสถะมาเราก็ใช้ปัญญาได้ใช้ปัญญาสอนใจว่าให้รู้เฉยๆนะอย่าไปยุ่งอย่าไปมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เรารับรู้ใจก็จะปล่อยวางได้ใจก็จะดับความทุกข์ดับความวุ่นวายใจได้ความวุ่นวายใจเกิดจากความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เองพอเราไม่รู้ ความสุขที่แท้จริงของเราอยู่ตรงที่ให้รู้เฉยๆนี่ ed, ให้เป็นอุเบกขาเรากลับไปหลงคิดว่าต้องให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นต้องให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้เราถึงจะมีความสุขแต่เราไม่รู้ว่าเราไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ตลอดเวลาพอไม่ได้ก็เกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ใจตามมาถ้าเราไม่อยากมีความสั่งปล่อยเขาทําเขา ท, ำ, ทำไงเราก็สุขของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะเรารู้เฉยๆ เราเป็นอุเบกขาอยู่ของเรานี่คือวิปัสสนาพอออกจากสมถะแล้วขั้นต่อไปก็ใช้วิปัสสนามารักษาอุเบกขานี้ไว้รักษาใจให้เป็นผู้รู้ไว้อย่าให้ใจเป็นตัวตนนี่คือหน้าที่ของวิปัสสนาพอที่เข้าใจไหมดีไหมคำถามตัวได้เลยอินเทอร์เน็ตนมีข้อเดียวมั้มีข้อเดียวค่ะโอเค อย่างนั้นถ้าไม่มีใครจะถามอะไรก็จะขอยุติการสนทนากันไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ